สี่ครบ้วนใช่ทีหนึ่งเบตาความรักยงนักขอยู่เขาก็นาความรักสายยังรกสายเวอยู่เบตายินดีให้เมื่อเสมีความสุขอเบขาจาฉยยังไงก็ช่างมันดีเป็นความท่เดียว เมื่อก่อนต้องถามวากู้อะไรพรมทีรับาาบวดกันเรื่อยนะกู้หักนุกบ้องกู้น้องว่าต้องเลยแตาอาไม่วชที่ที่สะพอหอะไรเาอ๋อ <register> <kimchi> ันเล้งไม่ก้อนไอ้สมันสนใจทีเรื่อย ตอนจริงถ้าแค่เป็นนาคามีเขาก็ไม่กตับบ้านแล้วนะมันมนความรู้สึกทางเพศใช่ใช่แล้วก็ยังเข้าทายอยู่แค่นี้าำไม่ได้เพราฉะนั้นหันกันไปเลยแต่ความจริงคนฤๅษีเนี่ยถ้าปฏิบัติเนนาคามีล้ะไม่มีใครอยากจะเกอเลยถ้าเห็นทุกข์แล้วเรเห็นสุขนั่นแลว เือผุ time, ้อาุเขาหนาขามีคนสูงไม่มีเจราหาขามีเพี้ยหนาขามีาพราะว่าชาวนาจังหวัดทุกท่ามีใร้่องงานท่าเรอตายด้วยสน แม่ขจรมาเรื mm ่องนี hmm. yeah. uh ้นะท่านเป็นพระดีมากเลยคุณยายคุณพระดีมากเพราะอะไรม่เมื่อปีสาศูนยท่านเห็นท่าจะตายแล้วนะเขาเลยเขาเรียกเจ้ามาเพลืเข้าไปสั่งด้วยรายการด้วยคึพิเศษด้วยถินด้วยสิ่งซึ่งเงินทองก็เสด็จมาด้วยในนี้แม่แล้วก็บอกว่าท้าฉันจะตายนะท่านต้องตายก่อนส่งญา นหลังทงยาท่านถึงอยาไม่ตายมันก็ไม่ตายคนหลังยี่งยาเป็ดีมากเลิกตายมาคือหลังที่นั่นเธอดูมีอาการดีมากหลังยี่เป็นการนาื่นแล้วสด้วใช่ไหมตติดยาเ็หมดเลยตรงนี้มันดีมากไม่ต้องคนโตธรรมดาเลยแล้วมาวันนั้นมันที่อะไรฉันไม่ได้ วันนั้นไม่ใช่มีการอยากตายนะวัดีเจ้าหน้ามเพืาอชอบไปสวนไปสนุกชาวบ้นานใช่ไหมถ้อาอยู่ที่นี่นชอบกินหมูถ้าแก่ขายหมูเขาบอกขันชอบแขงหมูแล้วก็หมูสวายอ่ะดูหมูใช่ไม้มแล้วก็ชอบแข็งอะไรปรนะ ม, รมราณุร เ, นนาาา เ, เรียนนะทำมะ่วงทำมะ่วงสวยก็คุยก็สนุกสนานหลังจากแ็เสรก็เลียงผู้หญิงคนนี้บริบูรณ์ นะก็เร่ง ม, มาสามนเลยขยิบกระเด็นร้อยี่เมื่อวานก็หยุ ด, ดอยู่ก็แล้วก็สก็ใช้นิดเท่านี้เป็นยอด้นเก้าสิบปีแล้ว จ, าจววา้าคก็เก้าสิบห้าปีนี่ขนาดใหญ่ตายมันก็ไม่ตายว่าแต่เลยสลิดธนาคาเงนมาเกืี่ก็เกือบสิบเจืร้อยแลวเรากวนอนตอนนี้ไม่กินข้าวแล้ ว, วยัข้า เสียท ah ่าเห็นขาเป็นอก่นจะไปขีุ่เย็นหนึ่งะครับอันนี้พอตอนสายแล้วได้ข่าวใช่ไหมถ้าเธอสอบไม่ทราบที่ตอนบ่ายตัวรับแขกไปโมงขึ้นเย็นเองลังรับแขกอยู่เห็นท่านมาเย็นรออยู่ข้างหน้าถามวาพ่ออยู่ที่ไหนเราก็อยู่นาทางมีถ้าถามว่าเวลาตายมีรมณ์่องใจไหมสมบุกสนมีอร่องใจนี มันมีสิบคนวั a นี้แต่คนน้อยสุดที่เรีย m ว่าหามมีทีามที่ยังไม่เี อารมณ์เร้นอารมณยันอยู่แค่นั้นแล้เรื När ่องเกี่ยวเรื่องการเงินของท่านในคนเดิมๆนั้นมันเดิอดมากไปเมือเป็นความเป็นจริงเพราะว่ายังนี้มันก็จะไหวเรื่องนี้ฉันฝากบัญชีเยเรื่องนี้ฝากป็นชีเลยก็ให้เก้าหที่คนนคงเดแทนเป็นขอเด้าัถ้าต่อมาไม่อะไเช่นนี้ ใช่ไม ik ่แก um, ้็นะเพราว่าว่าว่าไปถามแว่าไปมีอะไรครอบครัวไปอะไรอไหม่้มงผ่านก็ม่เก่อไว่าถูกเช็คออนี่ไิงแเราไ จะดจะไปเวลาไหนก็จินรู้ให้เลยถ้าเป็นัดเที่ยวก่นอนกับมาจะทำงานล้วซักเสื้อผ้าเสร็จของเสื้อผ้า เ, เารียแล้วไม่ช้าไม่กี่วันคุคไม่เกินบห้าวันแ<ม>ค่กดจังหวัด้าคลงไปน้อยไปน้อยประมาณเดือนเีนเส็จอยอู่ไม่ไม่ยากไม่ยาก <c oughs> มีแรกจริงๆนะฉัใช้วิธีนี้วิธีไวิธียิ้นเ น, นีเ่ยต่ว่าต้องเอาแป้งมาผองหนึห่งทำหับใจพวกผ่านลองกินเล่นจะเสร็จให้แต่ว่าจะเสไ็่ต้องเสร็จสามเหลืองระหว่างที่จะก่อนจะเสรต้องยิ้ไมาเสมอนะแต่แอจริงไม่เสร พอเดินเก็บาเอนะระตังล้วคืนไปบอกระตังเนี่ยไปซื่อของไทบางทุชาติพอไปใช้ไม่กี่วันมันบอกกลับมาชนะแล้วพอนไหนจะเลิกอยู่เครื่องก่อนก่อนสาเดือนโอใช่ใช่ใช่ใช่อแรกแกไม่ทำมีดีแตนกันเลยเก่งๆเขา่ยังไม่เชื่อเชื่อมาจนคดณเด็จทะเลไปถามือเขา อยู่ที่หนน่ก็เเาล่ากันก็เกินไปที่ขาเสน่หนผมผมไม่มีกระถาแต่ว่ามีที่น่ห์ง้นทำไงจะเล่ากับเขาเนาะไอพวกเธอเขาจะหากินด้วยคำตอไปไปคำตอไปคำตบนะ เขาบรกตัวติรถวันนี้ยังเปคนวยคนน่ะใครบอ่าเกยวมนรวยมีย ไปยิงมันปกติใช่ไหมนฮะ้อนทายก็ไปเรงดาดยางฟ้าทุกอย่างสมบูรณหมดแล้วที่มันไม่ได้คงจากันหนี่แหละที่พาพวกเข้ไผ่านด้เราะว่าเราเีนมัะให้ความสุดไงจะินไปไหนไม่ได้เรเยมาไม่ถึ โดยมันแค่ฟรียไม่ดเลยความจริงนะที่ตั้งใจ้มาย่กดู่น่า้อนก็ยุ่งมันในยังตัดเรื่องอนี่คือ่เกิดไม่ีคน เรื่องทักษิณลรามากว่าอยู่พร้อมกันปรากฏที่ดูมียชื่ออะไรก็ว่างคุยเฉยยิงไม่ตับทุกคนยกมือไฟหมไดไล่ยู่อตอนชายะาาตะนทหารมาคุณต้าครับทุกป้ามนนีกระถาอะไรที่อยู่ยในใจแค่บอกเม่นดีเลยทำว่วยุงยอยากพูดถึงต่อไปนะมันมีอะไรบ้างมันยัมีมังกรผัดไปแต่ยุไม่พูดถึงต่อไปทานบรทำไม่เกินสามเดือนดี ขาหนึ่งไปที่จังหวัดเ่ียงใหม่ไปนั่งกได้เทาน้ำเพล้านั่งคู่กันตัเดินกันนะนั่งค่อยขายที่เดียวกันไอเจียแล้วเพ้าัดไวายหมดแร้วนั่งเฉยท้าอะไรหลบยุไปัดบ้ามมีดแล้วมาบมเลย นักเสนอที่ฐานนะไม่รู้ใครทำซึ่งมันไม่มีความจาเป็นไอ้ลายก็คือเลืกตั้งใจิมาพักตั้งใจเอขอตงนี้สือับเจ้าไปไหนไปนิพายนี่แค่หน้าเครรวยแค่ไหนทันการนี้ตนนั้เรากลืกมาเลยซักกว่าละซักกว่าละกว่าเยะยนไนนอนคนไหนเขาไปนั่งแค่เรียตัวตัว Wala na i a n d i เยอะมากเลยเยอะขึ้นมากเลยกว่าถ้ า, วาถวายเสร็จสมาธิลาเลยมากินขนมค น, น